พระธรร ม, มเทศนามหาจารย์เวสสันดรจารดกะบับพิเศษชุดสรอยรวมธรรมกันติสิบจ <c oughs> ิว่าสักกบันตรวจชำระคัดเลอกสมนนใหม่โดยป่อวินสมใยชมพูรปรเปรียนธรรมฮกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหาย <c oughs> นโม จัพภาคาวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทตะเอวันเตสุอันยะวันยังสัมโมตานิยังกะทังกะเทนเตสุ สาธุด <ý st ế ng> ุราสปุริาตั้งไลตังหญิงใจมวนหมู่อันนั่งอยู่น้ำนาในเมื่อพระมหาสัจเจ้ากับนางน่อเนามัที่ปีติมีจื่อจ้อยใครเก่าถอยเจยดจมในอาสะรมกูแกว ดังกาวแล้วไขามาส่วนคุณอินตาหยดเ้าตนภาพดาวคงสวรวันก็เล็งหันกิดเหล่าว่าเต้าเป็นเจ้าวเวสันตราชา <c oughs> ยังแผ่นดินนาลำร้องถึงรอดห้องมาหาพรหมเหตุให้สองอุดมลูกแก้วยกยืนแล้วตานไป แก่พร้อมแดนไก่ผู้เท่าแต่เมื่อเจ้าวันว่าพดรอดมาวันนี้หลอนมีใจกำกีสามัญมาขอเอาหนงคร้นนอนเน่ า, นางามบ่เศาราชามัดที่เจ้าระสีเวสสันตรราชก็จักพระศาสตัตนไปมันได้สลีนงไว้ไปแล้ว ก็จะกาดแกอขึ้นหลังลาไวอย่างเต่าไทยือตุกเอาไม่กังดงกวนกูลงลุม้ากับเป็ดนาเป็นพรามไปขอหนัางงามนมเนาซึ่งตันเจ้าราศีแถมปาระมีเต่าไทยือเมียนไขเติงตันเพื่อโบเฮนางโสพันงามแงเป็นสาทานแก่ใจได้ กันลงไปขอแล้วก็จะคืนดังแก้วมาที่แก่เจ้าราศีดังเก่าแล้วปอกเตาขึ้นมากวนจักและนากันคุณอินตาเกิดแล้กก็กาดแก้วไก่กาจากตาวติงสาฝากฝ้าลุงสู่ป่าดุงตันยามตาวันดุงเจ้าแล้วก็เข้าไปหาอย่างศาลาอาวาตแห่งเต้าที่ราชเวสันดอนและนา ธรมถังปะกาเซนโตสัทธาอาศสัทธาสัพ ญ, ญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสานาวาตะโตรัตติญาวิวาสาเนดังนี้เป็นตนพิงคเวดุรา พี่โคตั้งหลายการคืนนั่นหายแจงรุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาคุณอินตาหยดเงาภาพแผ่นดาวสองสวาวันก่อเรียวปันรีภาว <c oughs> ลงสู่ดาวพระศนในราบมิตรตนบ่จ้ากับเปดนาเป็นพรามเข้าอารามรีพาวตีสองเต้าปั่มเป่งทมจักไข่ํำโอกาสขอนางนาดํำเดียว ดูรีบเร็วแต่เล่าพิษกองเก่าโบราณเต่ามังค่าหวานตนวิเศษแกงกะเป็ดเป็นพรามทาลุเก่ากำงามจืนจอยเป็นบาทถอยกาถาบากาจินูฟนโตอานาไมยังดังนี้เป็นเก้าบากาแดจ้าระสีเจ้าอยู่ดงรีป่าไมย บ่อเมื่อยไขหนาวในยังสุขใจหลายลากลูกไม่มาเพราะฉันเหลือบนนอ ย, บอยุ้งหันใหญ่ใหญ่บ่อมาไกลระวีงูใหญ่น้อยมีหลายแหล่เขาบ่อแพ่มากกยสัตว์ไร้ลายในป่าเขาบ่อลามหาจรู เมื่อนั่นเจ้าเจียงจันเวสันตารัตสีจริงไขวตีต้านต่อเป็นบาทคอกาถาวักุสันเจวะโนพรมเ ม, ม, มดังนี้เป็นเก้า ว, ว่าดูราพรามเทาแดนไกโรกาไผ่ใหญ่น้อยบ่อจองหอยกะญยาเรายังหาตุกบอ่อใดพระลาลูกไม่ก่อปอชันเดือบยุ่งพันควักไข ง, งูใหญ่น้อยบอมาเบียน สัตนาเกียนในป่าอันไร่กาคาน้องบ่อหันปองต้องพายมาเ ย, า ย, ย่ไรยังเราและนา <c oughs> พระมาหาสัจเจ้าใดบอกเล่าเจียนจาว่าตอนนั้นหนาหากายี่กาตุกบอ่อใดคือบอ่อมวยไครหนาวในเต่ามีตุกใจซะหน่อยจริงเกาท้อยไขรจ้า ว่าดูราเท่าปู่แต่เรามาอยู่ดงด้านกลางหิมมาปานป่าไม่นับบาด้เจ็ดเดือนเป็นสุกเหมือนแกมโศกเหตุใ ด, ดวิโญกจากสมบัติบ่หันสองกระซัพป่อแม่ตุกใจแพ้เวว่า บัดนีนาะตันมาโดยจอบเราขอขอบใจลายตั้นผ่านภายเตี้ยวไตามารอดใดคนเดียวดันดงเขียวลายสัมตั้นจุงไปรงน้ำสาลา <c oughs> จำราปตาตั้งโกแล้วมาสู่รองรากินผ้าลาลุกไม้เรามีไว้ทมทองคือมากับต้องกินฟาตั้งมาขาดทุกอย่าง ตั้งบักสางบักเมาเจิญพรามเท่ากินตามใจนำอันนี้ใสยเย็นก็เย็นจะจิวอันนางมัททีหาผิวนำมาต้านกินพาลาอิ่มต้องแล้วดื่มน้ำล่องลงคอแดดเตอเมื่อนั่นพระมหาสัจเจ้าตนวิเศษไขรู้เหตุอันมาแห่งพรหา ม, มานาผู้เท่าจริงตันเล่วกำไป <c oughs> ว่าเหตุอันใดนั่นใส่ตั้นจริงใดเต๋ยวามาเราทำหาใครรู้จุงกาอูตามีแดดเตอเมื่อนั่นอินตาสักกระพร์จักขอนั่งงามหน่อเนาหยอดซัดท้าเราตววไปจริงจักไขต้านต่อเป็นบาดคอกรถา ว่ายาถาวะรรวะโหปุโรดังนี้เป็นเก้าวาคาแดเจ้าระเสอุ ป, ปามามีเพียไฟแม่น้ำใหญ่หาสายมีน้ำลหลจูเมือ่อน้ำน้อยเพือ่อไหลมาคือนำ้ำกงกาสะอาดยามูนาฟาติฟง อาจิราวะดีนองทุ่งทงสารฟูหลังไหลร้องมหิจอมไหลกว่าจากดาวป่าหิมมาปานเป็นสายทานตากวางพอตา ต, ตั้งสุตตาสัตนาน้อยใหญ่ได้อาบใจและกินเป็นอาจินแต่เนิ่นน้ำยังคืนมีมา <c oughs> อันเลือตาดังเก่าบ่อแห้งเล่าเขินสายอุ ป, ป้าไม้ไม่เทียบไว้คือศรัทธาตาาไทยตนบุญ <c oughs> เล่งหันคุณอันกวางยาจกอ่างมหาคานีนาอยากไรดันป่าไม่ดงดอนอดเจียวจอมารอดเพื่อขอนางยอดมัทยี <c oughs> กูมีวัดนี้บ่เศร้าไปเป็นกูเฝ้าเจยจมขอเจ้าดมบุญใหญ่ตานางนัดให้โซภาแก่คนอนาถาถอยจ้าอันกมนามาขอดแดเตอกันอินตาสักกาพรามเก่าแล้วเต้าตนแก้วบอกคิดตานะาว่าแต่วันวาเมื่อเจ้าก่อได้ลูกเต้าเป็นตาน แกพระม า, าจาจย์เท่าแก่อันแวแวแหวมหาวันนี้นาพรมเท่าป้อยมาขอนังนอนอ า, นามดทีกันเฮสายสารียอดซอยแก่พรมถอยน้ำไปจักมีไผยนั่นเหล่ามาอยู่เฝ้าปัดปัวเต้าเลือแต่ตัวกูไทยอยู่ป่าไมเดียวดาย หนอฟ้าบนผายเป็นเจ้าบอกกึศเล่าอันใดเต้ามีใจจมื่นปีติตื่นเจยบ้านดังใจค้นผ่านกันอยากตกลำบากนานำได้ทงคำบอเศร้าปั้นหนึ่งเล่าดีลีจากเศรษฐีใจกว้างมันหย่อมอ้างเจยบ้านหยอบหนอโป้ที่หยาญยศใหญ่จากฮือป่าไหม้ดงรีต่างป้าทวีไหววันกองสะนันดงดาน จิงจาวานก่าท้อยเป็นบาทสอยก้าทาวะตาตาบินาวิกัมปามิดังนี้เป็นเก้าวาดูราพรำเท่าแดนไก่ต้านขอนางได้งามอาจลูกเต้ามัทธราชชมสีเรายินดีจชมชื่นจากยกยืนตันไปใจเราบบาไวสะต้อนบ่รู้ผ่อนต่าง ต้นยาดานเนินจ้าจุงมาราวแก้วแบนฟ้าไปไว้กันเจ้าไข่เก่าแล้วก็เอาน้าต้นแก้วกันตีอันเต็มด้วยน้าดีตักใหม่หยาดหลงใสมือพามโยกนางงามบ่เศร้าแก่พรำเทาบาตเดียวก็มีหันแหลน่ะ ใตกาลนันอาตจันได้แลเกิดขึ้นแผ่ตันตาเป็นต้นว่าแผ่นดินนาวัยวันฟ้าร้องลันดอยขาง <c oughs> เป็นมหาปางอันใหญ่เกิดขึ้นไขอาณาและนาตามัดทางปะกาเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัมปัญญู <c oughs> ตนเป็นครูแก่โลกเือป้นศกไผ่มานหันนิทานไปแจงพระจิงแสงเตสนาวามติง้งหัตเทกะเหตุตาดังนี้เป็นต้นเพิกเวดูราเพู่อส่งตนทารุงสินใสสะอาดอันว่าพัญญาเวสันตราราดระีก็จุงแขนนังมัทีนาไทย มาหนังไกเจีพรามมออน้ำต้นงามผ่องแพวใสน้ำแล้วเต็มดีไขาวาตีโอกาสหลังน้ำยาดใสมือพรามตั้นนางงามหยอดซอย <c oughs> ด้วยใจจื่นจ้อยยินดีอัศจรรย์มีลายลากก็เกิดขึ้นมากตั้งตาคือแผ่นดินนาลันกองฟ้ารวนร้องไปบน โดยพลิศน์เหนือเน่าเกิดตัวดาวดงดอนน้ำสะกอนปุงเปืือเกิดความเคือป้นกัวป้อนังหัวเยกเน่าเกิดพร้อมเต้าราศีสัตทามีบ่น้ยหฮือนังหยอดซอยตานไปวันนั้นและนา นนนนอนาาันวา่นนออานางนาดนาพระเจ้ามาทีอันเต้าระสรีตนอง์อาจเธอดังนาดเป็นท้านแก่พรหมบรมรจารย์เท่าแก่อันมาแต่แดนไก่นางบ่มีใจขดตรเาบ่ตานกล่าวว่าทีนั่งอยู่ดีจ้กควายนาแยมย้อยเรื่องไรเตา้ากระดิ่งใจกือตรอดอว่าเต้าตนยอดพวกขวันเตียงเล็งหันพระโยชน์จักได้เป็นพระโพธโลกา นํำส ต, ตามวลมากคือป้อนจากสงสารจริงหือสะหลีน้องคานด่อเบาแก่พรำเท่าจาระจะและนาเ <c oughs> มื่อนั่นพระบาาสัจเจ้าตนบุญใหญ่รู้แจ้งไขในจนางจริงจักวางกำตอออกปากล่อสักพราม ว่านางวัดที่งามหนุ่มเนาเรารักกว่าเก่าเหลือผ้ามานต ว, วานซัปัญญูตัญญาณเดิดแล้วเรารักกว่านางแก้วเหลือลายเรานี่หมยเป็นแกนไขนางแต่นทัดพระญาณนำสัตตามวลหมู่เข้าไปสู่เนิราพานจริงหฮือนางนงคานงามแงยกยืนแก่จีพราม อันนี้สรงงามนี่ใสจุงหือเราปันไดทัตพญานั่นเดตเตอเ <c oughs> ตนะวุตตังเหตุดังอันกถาปันธนาอันนี้พระเจ้าจีเตสนาแก่พระมหาสารีบุตรเจ้าวาดุรา สารีบุตรภูองอาจจบชะลา ด, ด้วยพระญาปางเมือพระทะากาะตะได้เกิดเป็นเต้าผูภาษาจื่อเวสันตราชามีศัทธาจื่เนา่าได้ฮือสามต้าเป็นตานคือจารีขนันลูกเก้าและนางนอนเ n o กันหาและอากาจะย่า ง, งามอาจสาลขาดตันไป บ่กคืดใจไข่ได้เป็นเต้าไทยสะเว่สะวันบ่กคืดพันใจจอดไข่เป็นยอดจากกวัติีราจาเต้าพาธานาจะใจ <c oughs> ขอ้อฮได้เป็นสะปัญโยบ่กใจเราจังสองบุญจูลูกเต้าและนางหน่อเ น, า, นาวันไหวเรายังมีใจจ่องหอย รักสามยอดซอยเดือพระมาลตา ว, ว่าพระญาสั ป, ปัญญูตัญญาณเจียงเจา้าเรารักกว่าลายเตาดีลีจึงหือสองสะตวลูกน้อยและนงังหยอดซอยเป็นตานเพื่ออันและนาเมื่อนั้นพระมหาสัจเจา้าก่อเกิดเล่าคนิงได้ว่าหัวใจนังนาจักไม่มาดเครื่องขีหรือยินดีจื่นจอย มองตามก้อยสันใดเต้าเล่งไปบวชจ้าแลพ่อนาราจามัติส่วนนางชมสียศใหญ่ก็รู้ไว่เร็วไวจริงจะใครบอกเล่าว่าข้าแดเจ้าเนื้อหู อันว่าตัวมนไทยอายุได้สิบหกปีมาเป็นเตวีรวมข้างอยู่พาสั์กวางเจิบ้านมีปาริวานแวดล้อมแหนแห่หอมเอาใจเต้าจอมไต้ปิ่นเก่านัาเป็นเจ้าและผัวข้าสุกย้อนตัวเจ้าฟ้าแม่นจักขาหรือใครก็ตามใจหม่พี่เจ้าข้าน้องเน่าข้าน้องเน่าหากินดี บ่อเครื่องขี่ไม่เดือดแม่นจักเอาจิ้นเลือดไขมันขาก็อจักฟันเถื่อแทกจิน้นมันแยกหยอะไปจักตามใจปีไทยพ่อมเสียงไขจูพักการแลยนะเมื่อนั่นอินตาสักกะพร้ามรู้รอดว่าสองเต้ายอดเชียงขานมีใจบานตั้งกูตั้งตนอยู่ตามกอง พ่อขี่มองหมดไม่บอถอยไรเสียรมจริไขคำตานกล่าวสักเซินสองเต้านานาก็มีหันและนาตามถังประกาศเส้นตสัท ธ, ธ า, า, าสัท ธ, ธาสัพปัญญุตนเป็นครูแก่โลกฮันอาภูกบาลีบทหลังมีไปแจง้ง พระจิงแสงเตสนาวาเตสังสังกปมัญญะดังนี้เป็นตนพิกเวดุราพิกูตั้งลายอันเป็นทายอริยาเจ้ <c oughs> ตาตคําเจ้าภาวน า, าอันว่าคุณอินตาเจ้าฟ้ากับเปตนาเป็นพรหมา ข, ขอเอานางงามเลิศแล้วึ่งเต้าตนแก้วเวสันตรศรี ลวดรูดีแจ้งส่องถึงรถห้องหอราไทยแห่งเต้าไทยจอมไต้ตั้งกูว่าตั้งอยู่ตามธรรมจริงไขคำรรตานก่าวซักเสิร์ตเต้าบุญนาว่าข้าแดมมหาราชเจ้าสัตถู่วมาเต้านำนาอันตาลาอยากจ้าห้ามสมบัติเมืองฝ้าและเมืองคน ยมตาลนักแกจัดที่แท้คือมัดเฉรธรรมพระองค์คำแป้แล้วจริงเฮอลูกแก้วเป็นต้านเมียเจียงขาน ร, รวมข้างต้าสละมังตันไปอาจ่าจันใจเกิดกองฝ้าลันร้องถึงพรหมเตว า, ายมน้มว้ภายดอกไม้ปูจาวิจุลตาฟ้าแมบกอสาแลป้อยเรือง พ อ, อดูเหลืองทั่วป่าดังจักผาดอนอย่างดังจักผาดอยทาลายเทวดาตั้งหลายมวนหมูจมจื่สูโมตนา <c oughs> ดังขุนอินตาเจ้าฟ้าพร้อมทวนนามหาพรหมปรจจาปปฏิจมบกขาดโสมราชใจบ้านพญายมใจหันหัดเทา ตั้งแต่าวเวสุวรนย่อมปะกันจมชื่นย้อมมื อ, อยือนโมทนาวาพัญญาเวสันตราช า, าลเลิศแล้วเอโลแกวรองแฟงเบียเตียมแฟงรวมคังสาละามังเตตานย่อมเป็นการอัญญากวงบ่มีทรัพทธาหากดูได คาแด่เต้า บ, บุญภายยดใหญ่การเอลูกนอไทยเป็นตานเมียเจียงคานยอดซอยสละปล่อยตานไปย่อมเป็นบิสัยแต่เกา่าอันนอพระเจ้าปัมเป่งมาคนผู้หาพระยาบ่ได้บ่มักไฟ่างตานจากบุสงสารนินอยากกลางพ่องหากอาธรรม สร้างบาปกรรมบ่อน้อยกันกาดก้อยดับพันบาปย่อมพันุไปเกิดในกำเนิดอบายส่วนคนตั้งลายน้อยใหญ่อันมักใยตั้งบุญก็ตามคุณหลายหลากันแต่จากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดในชั้นฝ้าเลิดเมืองสวรรค์ข้าแดกพระจอมทันเจ้าจาง เจ้าอยู่ปากวางดงรีได้เถึงตาน้ป่ารมีสุดยอดคอือลูกรักต่อเตตานแก่พระมนาจาันผู้เท่าแต่เมื่อเจ้าวันวาวันนี้นามารอเต่าได้ตันยอดเตวีภูมีวัดดีพร้อมไข่าหาบ่ใดพอสองย่อมเป็นกองล่ำเลิศป่าหฮือเกิดเมืองสวรรค์ เต้าใจพันไขรได้หรือมักไฟอันได้จุงสมใจไฟหอยอย่าได้กัดก้อยไก่กะเ ด, ดเต อ, <c oughs> อินตาส ก, กพรามเกา